เธอไม่ใช่อเมริกันแทนนี่ใช่ไหมจักรราศ์ไม่ได้ละสายเนตรไปจากบงหน้าและเรือนกายของหล่อนเลยขณะที่มีรอยแย้มสวนน้อยๆปรากฏขึ้นที่เลียวอดุดเพคะและหม่อมฉันจะไม่กลับทุนซะถามด้วยว่าทรงทราบได้ยังไงเธ <c oughs> อฉลาดเกินกว่าที่จะต้องถามเช่นนั้นมีสิ่งอันดีงามอยู่หลายๆสิ่ง แฝงอยู่ในอนุสติส่วนลึกของเธอเพียงแต่ว่าเธอจะนำขึ้นมาใช้หรือไม่เท่านั้นสุภาษิตของชาวมรกฎนาคนกล่าวไว้ว่าไม่มีผู้ใดที่จะประสบความสำเร็จหรือชนะไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เธอตร น, นักไว้ในข้อนี้คริสตินาสะบัดปลายผมที่ปลิวลงมาปกหน้าผากให้กระจายขึ้นและเงยขึ้นประสานเน่จักราศ ในสายตาตรงเป็นครั้งแรกพร้อมกับยิ้มออกมานิดนึงยืดกายตร ง, งานเต็มส่วนสัตว์เพคะหม่อมฉันตรหนักดีมานานและหลักในข้อนี้พระองค์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นอะไรสักอย่างนึกงที่เหนือระดับมนุษย์ปุถุชนมากทีเดียวในข้อไหนล่ะก็ชาแห่งการรับรู้รับทราบในสิ่งที่สายตาภายนอก มองไม่เห็นสิไปคะ่ะเศรลและสัตว์จักประกอบด้วยการเพียนบำเพ็นภาวนาทำให้บังเกิดตะบะชาญบารมีต่อไปภายภาคหน้าเธอจะลองเพียนปฏิบัติ ด, ดูบ้างก็ได้นะและมันจะบังเกิดสิ่ง น, นี้ขึ้นกับตัวเธอเองจงลืมอดีตเสยหมดสิ้นและเพียนปฏิบัติีศ์สมัยจะโดยหลักเกณฑ์ หรือหลักการของลัทธิใดก็ได้ทั้งสิ้นแล้วเธอจะมีกุศลบารมีขึ้นเองเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงแนะนำไปคะหม่อมฉันจะขอรับไว้เพื่อพิจรารณาหม่อมฉันขอพระบรมราชานุญาต ท, ทูลถามอะไรสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมไปคะเชิญคือตั้งแต่หม่อมฉันเกิดมาในโลกนี้ ยังไม่เคยพบเห็นผู้ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบและมีสิริโฉมงดงามเยี่ยงเท พ, พบุตรอันควรเป็นภาพปั้นเหมือนเช่นพระองค์เลยจักรราชเลิกพระขนงขึ้นน้อยๆยิ้มที่มุมโ อ, อกความงามของสรีระหาใช่ความงามที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบไหมต้องงามที่นี่ทรงตบเบาๆไปที่พระอุระของตนเอง ต้องงามที่หัวใจจึงจะเป็นความงามที่ปราศจากราคีใสสะอาดบริสุทธิ์แท้จริงเช่นเดียวกับเธอเช่นกันโฉมงดงามบาดใจชายยิ่งนะแต่ดวงใจหม่อมชั้นสกรปรกเต็มวัดถราคีเช่นนั้นเหรอเพคะล่อนถามสวนออกไปอย่างอาจหาร เรารู้ว่าเธอแก้ไขได้ชำระล้างมันออกไปซะโดยหลักธรรมศีลและสัจจ์อนาคตข้างหน้าของเธอคือสตรีผู้ทรงศีลอันประเสริฐสุดและบาปเวรทั้งหลายที่เคยก่อมาแล้วทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติจะถูกชดใช้จนหมดสิ้นไปผ่านพ้นได้จากห่วงโซ่แห่งกรรม ดวงตาของคริสติน่าแห้งผากหน้าขาวเผือลงแล้วชั่วขณะเดียวก็เป็นปกติเหมือนเดิมปรากฏรอยยิ้มเย็นเยือกบนริมฝีปากหม่อมฉันมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระองค์อย่างสูงสุดเสมือนได้พบกับพระเจ้าหรือเทพเจ้าหม่อมฉันจะมีโอกาสได้เฝ้าเป็นการส่วนตัว เพื่อปรึกษาทางธรรมจากพระองค์ในโอกาสต่อไปได้บ้างหรือไม่เถอะเพคะจักรราชเจ้าผู้ปกครองอาณาจากักรมรกฎนครแย้มสวนกว้างออกน้อมเสีย ล, ลงน้อยน้อยเนืดช้าละมุนละม่อมไปหมดทุกอิริยาบถอันสง่างามสมชาติขัตติยะถ้าเธอมีความประสงค์เช่นนั้นอย่างแท้จริง ก็ไม่น่าจะมีอะไรขัดข้องนี่เพราะอย่างน้อยพวกเธอทั้งหมดก็คงจะต้องพำนักอยู่ในอาณาจากักรนี้เป็นเวลาพอสมควรก่อนที่จะลาจากไปเช่นนั้นไม่ใช่เหรอประโยคหลังดูเหมือนจะเป็นคำถามคริสนิ่งอึ้งไปได้แต่จ้องพระพักแนวนิ่งหลอนมีความรู้สึกที่บอกกับตนเองว่าภาพปั้นของเทพบุตรกรีกที่หลอนเคยเห็นมาก่อนแล้วนั้น ผ้ายต่อโฉมอันงามสง่าเพียบพร้อมไปด้วยสเสน่ห์และจริยานุวัตอันนุ่มนวลของกษัตริย์หนุ่มผู้นี้อย่างเทียบกันไม่ได้เลยพรานใหญ่อาจจะเคยเล่าให้หลอนฟังถึงเจ้าคนใช้พิเศษที่มีนามว่างแง่ทายแต่เขาก็เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาโดยพิสดารของบุรุษผู้นี้โดยคร่าวๆเท่านั้นหาได้บอกถึงแก่นแท้ความจริงให้ทราบเลยไม่ ลอนไม่อยากจะเชื่อว่าในโลกนี้จะมีชายที่มีรูปโฉมทั้งงามส ง, ง่าเหมือนภาพในจินตนาการอย่างที่ตนเองจ้องพินิจอยู่ในขณะ น, นี้นาซิซั ส, สถ้าแม้ว่ามีร่างกายและวิญญาณขึ้นจริงก็คงจะพ่ายโฉมงามผู้นี้อย่างราบคาภายในใจของคริสติน่ารำพึงเช่นนั้น จะกรราดสั่นเสียนไปมา น, น้อยๆเป็นเชิงปฏิเสธเหมือนจะอ่านทะลุเข้าไปถึงความคิดของหล่อนคริสรูปโฉมน่ะเป็นแต่เพียงเปลือกภายนอกเท่านั้นหรอกนะและเราก็หาใช่นาซิซัสหน้างโง่องค์ น, นั้นไหมพระองค์อยากรู้ว่าทำไมถึงอ่านคำพูดในใจของเธอได้ใช่ไหม ทรงต่อถ้อยคําให้ด้วยสุรเสียงที่อ่อนโยนราบเรียบเหมือนเดิมดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจเคยได้ยินคํานี้ไหมมันหาใช่สิ่งลึกลับอะไรที่เธอจะต้องตื่นเต้นในเรื่องนี้เช่นนั้นไหมมันเป็นเพียงศาสต์เบื้องต้นของโยะคะศาสตร์เท่านั้นแหละแล้วแล้วและพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าพวกเราอเมริกันที่มาด้วยกันทั้งหมดนี่ ล่วงล้ำเข้ามาในดินแดนของพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้งมาด้วยความเป็นมิตรและคารวะพระเจ้าค่ะคริสติน่าถามออกมาโดยเร็วเรารู้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเราถึงได้เปิดทางให้อย่างไรละ่ะขอให้พวกเธอทุกคนอย่าได้มีข้อกริงเกรงหรือ ก, กังวลอะไรไปเลยที่นี่นะเป็นมิตรต่อบุคคลที่เป็นมิตรและให้เกียรติเรา ฉะนั้นจึงขอกล่าวอีกครั้งว่าจงทำตัวทำใจให้สบายเถอะนะในอาณาจักรประหลาดแห่งนี้คริสติน่าย่อกายลงอย่างคาราวะอีกครั้งพึมพำ ม, มาว่าเพคะเราทุกคนรับทราบเพคะอืมเป็นการดีมากรับสั่งเป็นประโยคท้ายสุดกับคริสตินาเพียงแค่นั้นจักรราศ ก, กวาดพระเนตรไปยังบรรดาพวกลูกหาบทั้งหลาย ทั้งสองกลุ่มอันยังยืนรวมกันอยู่รวมทั้งเกเรียงอูทะและพระโต้ด้วยสรงแย้มยิ้มให้รับสั่งประกาศขึ้นว่าขอให้พวกเจ้าทุกคนจงพำนักอยู่ที่นี่ให้สุขสบายเหมือนเป็นถิ่นกําเนิดของพวกเจ้าเองพวกเจ้ามีบุญวาสนามากแล้วที่ได้มาถึงดินแดนแห่งนี้ดินแดนที่ยากนักจะมีใครเดินทางมาได้ถึง ทุกคนล้วนเป็นแขกของข้าทั้งสิน้นเอาละรอกันอยู่ที่นี่สักครู่ให้ข้าได้ทำธุระส่วนตัวก่อนพูดจบพระเจ้าจั ก, กราธิราชก็ดำเนินตรงไปทางเมยานีผู้ยืนเหมือนจะคอยฉลองพระบาทอยู่ก่อนแล้วยกหัตถ์ขึ้นแตะไหลานางกระซิบรับสั่งสั้นๆเมยานีก็ออกเดินนำเสด็จ ไปทางคูหาทางด้านหนึ่งของบริเวณอันเป็นมหาสุสานก่อนที่จะผละไปพระองค์ได้หันมาทางรพินไพรวันและรับสั่งขึ้นหน้าตาเฉยว่าเป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวนับตั้งแต่เครื่องมาตกอยู่ที่นี่ผมก็อยู่ในชุดนี้โดยไม่ได้ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยรู้สึกหมินสาบตัวเองเต็มนทนขอเวลาผมไปแต่งองค์ทรงเครื่องชำระ ส, สางตัวเองสักหน่อยนะครับผมไม่ช้านักหรอก ระยะเวลาระหว่างนี้ก็ขอให้ทุกคนทำตัวให้สบายและถ้าจะเข้าไปเยี่ยมศพของท่านกูตมะก็ได้ครับยังคงประดิษฐานอยู่ที่นั่นละพระนใหญ่ก้มศีรษะลงนิดนึงบอกเรียบเรียบมาว่าเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะกษัตริย์หนุ่มขมดพระขนงทำป้องพระโสดรับฐานเสียงสูงมาว่าผู้กองว่าไงนะฟังไม่ถนัด ข้าพระองค์หมายความว่าเองจะไปไหนก็ไปหวัวแงี้ทรายพวกฉันจะรอยอยู่ที่เนี่ยจะชำระสะสงังขัดสีขี่ใครนานสักเท่าไหร่ก็ตามใจไม่หนีไปไหนก่อนหรอกมินพระบรมเดชานุภาพไปคะควรจะติดคุกมรกรกนครสักห้าปีเป็นอย่างน้อยไปคะดารินร้องบอกมาโดยเร็วจักราชธิราชพยักษ์พระพักผู้กองนาปากเสียมานานแล้วครับพี่สาว ผมขอฝากเขาไว้ด้วยยายเขาเอะอะอารวาสหรือจุ่นจา้านไปในทิศทางไหนล่ะทุกคนยิ้มบ้างก็หวัวเราะคลืนจักรราตรีพระเนตรให้ระพินนิดนึงแล้วเสด็จตามหลังเมญานีรับพระวรากายไปในบัตรนั้นเมื่อ น, นั้นทุกคนก็หันหน้าเข้าหากันอีกครั้งโดยเฉพาะอเมริกันเบลอุทานออกมาว่าอู้ พระองค์เป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งที่พวกเราทั้งหมดพบเห็นนอกจากทรงสง่างามเต็มไปด้วยพระปรีชาชานแล้วยังทรงขี้เล่นน่ารักอะไรอย่างนี้นี่คิดแต่เพียงว่าน่ารักนะคิดได้แต่อย่าไปริรักพระองค์ขล่ะเพราะพระองค์มีพระราชินีที่งามแล้วก็สามารถพร้อมอยู่แล้วนายคิดบอกเสียงงห้วฮามาเบียงค้อนขอวบดามาอุบอิบว่า ครีซีไอ้บ้าสเตลีปราดเข้ามาหาเชษฐาบอกอย่างตื่นเต้นว่ารับพินเคยมีความจำเป็นแล้วก็จำใจเล่าให้เราฟังถึงคนรับใช้ลึกลับของพวกคุณที่มีนามว่างแง่ทรายแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเราให้ละเอียดเลยเขาคงจะรอยพวกคุณได้มาเห็นด้วยตาตนเองละมังครับเชษฐาตอบมายิ้มยิ้มนี่คุณ พระองค์ไม่เหมือนกับกษัตริย์ในดินแดนลี้ลับอะไรเลยเหมือนคนที่เจริญแล้วทุกอย่างทําไมถึงเป็นอย่างงี้ครับในข่าบของแง่ทรายนะ่ะแท้ทีจริงนะ่ะเขาเป็นคนที่มีการศึกษามาอย่างดีเยี่ยมแล้วครับชยันเป็นคนตอบมาแทนและในคราบของจักราธิราชเขาก็แสวงหาความรู้ศึกษาในสารพัด ศ, ศาสตร์ที่เราไม่อาจร่ำเรียนหรือล่วงรู้ไปถึง พวกคุณอย่าได้คิดเป็นคำขาดใช่ไนหะว่าเขาเป็นกษัตริย์ของดินแดนที่ห่างไกลอารยธรรมจากโลกภายนอกนี่ดีว่าบนแผ่นดินนี้ไม่ว่าเราจะพูดภาษาใดก็สามารถจะเข้ากันได้ด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับเทพเจ้าแต่ถ้านอกแผ่นดินนี้ไปแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษกับเขาเขาก็จะตอบเป็นภาษาอังกฤษและถ้าคุณพูดฝรั่งเศสเขาจะตอบเป็นฝรั่งเศสเขารู้จักไอสไต รู้จักดาวินเท่าๆกับรู้จักเชคสเปียร์ไม่น้อยไปกว่าพวกคุณนะโอ้ไม oh, <my> ยกอดสไตลีและคิดอุทานออกมาพร้อมกันทำตาเหลือกเบนเป่าลมพูออกจากปากหันไปมองหน้าคริสติน่าผู้ยังยืนหัวคิ้วขมวดน้อยๆ อ, อย่างครุ่นคิดหนักแล้วเดินเข้าไปใกล้รับพินผู้ยืนจับมือเคียงคู่ดารินอยู่หลผู้กระดารินเบาๆว่า ขออนุญาตนะน้อยฉังอยากพูดอะไรกับครูรพินสักนิดนะเชิญตามสบายสิเจฉันเดินออกไปห่างก่อนไหมดารินบอกมายิ้มยิ้มอย่างอารมณ์ดีเธอไม่ต้องไปไหนหรอกน้อยฉันขอพูดต่อหน้าเธอนี่แหละไม่ได้มีความลับอะไรอีกฝ่ายบอกมาอย่างสนิทสนมและเรียกนามหล่อนว่าน้อยตามที่ดารินสั่งไว้ก่อนโดยสนิทปาก พก็หันไปหาระพินครูคะหล่อนเรียกเบาๆมีไรเหรอคริสจอมพรานย้อนถามมาอย่างอ่อนโยนยิ้มให้แต่ยังไม่ปล่อยมือดารินครูไม่ได้บอกกันฉันหรือพวกเรามาก่อนเลยเกียวกคาหล่อนมองไปทางครูหาที่จักรราชรับพระวรกายเข้าไป ทุกสิ่งนะฟังเป็นเรื่องโกหกหรือเชื่อทั้งนั้นแหละคุณถ้าหากไม่ได้มาเห็นกระตาผมถึงไม่ได้บอกอะไรกับคุณหรือพวกคุณมากนักสังเกตดูว่าพระองค์ทรงรักแล้วก็สนิทสนมกับครูเหลือเกินนะคะรักเหมือนพี่ชายร่วมสายโลหิตทีเดียวครับถูกต้องครับเรามีอะไรต่ออะไรเกี่ยวพันกันลึกซึ้งมากเกินกว่าที่จะบอกได้ก่อนนี้นะเราเคยเป็นคู่ปรับกันในทุกด้านเหมือนกัน แต่ในที่สุดผมนะ่ะจะเป็นฝ่ายแพ้ใจเขาสังเกตดูคุณมีกังวลอะไรมากเหลือเกินมีอะไรเหรอคริสประโยคหลังระพินถามน้ำเสียงห่วงใหญ่ระพินจะช่วยคุณได้ทุกอย่างเชียในมรกรนครแห่งนี้ดารินบอกมาอีกคนอย่างปราณีรวมทั้งตัวเธอเองด้วยน้อย กษัตริจักรราทรงให้ความรักอย่างสนิทใจต่อเธอและครูระพินมากที่สุดคือว่าคือว่าฉันว่าไปเธอคริสผมและคุณหญิงดารินพร้อมที่จะรับฟังคุณอยู่แล้วคือว่าพระองค์ทรงล่วงรู้อะไรไปหมดทุกอย่างทรงมีทิพยเนธทิพยา์จาักขู่แล้วก็ทิพยพยาชา พระพระองค์ทรงเป็นศิษย์เมียจารนี่คุณและทรงศึกษาในศาสตร์ลี้ลับสามารถติดต่อกับเหล่าเทพได้ประกอบกับบารมีในชาติก่อนที่สั่งสมมาด้วย ไ, ไหมคุณประหลาดใจมากนักเหรอและถึงแม้จะทรงรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเราทุ ก, ทกคนพระองค์ก็ไม่ได้ทำให้พวกเราเสียหายเลยโดยเฉพาะสำหรับตัวคุณเองก็ไม่ได้ประพฤติผิดคิดไม่ชอบอะไรนี่ตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาด้วยกันนี่ เป็นห่วงอะไรเหรอคริสฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่แต่หมายความถึงว่าถ้าถ้าฉันจะขอถาวายตัวเป็นสิทธิ์ของพระองค์ในขณะที่ฉันก็มอบตัวเป็นสิทธิ์กับคุณไปแล้วมันจะเป็นการผิดสัจจญาอะไรไหมคริสครับขึ้นชื่อว่าสิทธิ์แล้วนะ่ะย่อมมีครูบาอาจารย์ได้หลายคน สิทธิที่ดีก็ต้องเพียรแสวงหาครูบาอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความฉลาดรอบรู้ของตนนั่นนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนี่คุณแล้วแล้วพระองค์จะทรงรับชั้นเป็นสิทธิ์ไหมก็แต่คุณมีความตั้งใจจริงศรัทธาจริงเหมือนเหมือนกับที่คุณได้แสดงความศรัทธาต่อผมมาแล้วพระองค์ก็คงไม่รังเกียจหรอกในการที่จะเปิดโลกที่สว่างและสันติสุขแห่งดวงใจของคุณ ฉันรับสั่งไว้แล้วไม่ใช่เหรอคือครูต้องช่วยฉันนะในเรื่องนี้่แน่นอนคริสคุณยังมีเวลาที่จะได้ใกล้ชิดและศึกษาเรียนรู้จากพระองค์อีกมากทีเดียวแล้วแล้วแล้วราชินีเมญานีอ่ะโธ่เชื่อว่าพระราชินีคงไม่มี ข, ข้อรังเกียจยังไงหรอกถ้าคุณศรัทธาต่อกษัตริย์จักรราชในฐานะครูบาอาจารย์ เหมือนๆเช่นที่คุณได้ศรัทธาและศึกษาเฉพาะด้านวิชาการกับผมอะคริสติน่าถอนหายใจออกมานิดนึง พ, พึมพำว่าครูคะฉันรู้สึกว่าฉันพอจะมองเห็นแสงสว่างเห็นชีวิตแล้วล่ะทําไมว่าชีวิตของฉันยังจะยืนยาวต่อไปภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนี้บอกตามตรงนะฉันเครียดเหลือเกินเครียดไม่น้อยไปกว่าคุณหรอก ตั้งแต่เดินทางมาในครั้งนี้เพิ่งจะรู้สึกปลอดโปร่งและก็เป็นสุขขึ้นเมื่อได้ไเผชิญพระพักตกร์กัจจการนี่แหละแม่ผมทองกล่าวแผ่วเบาอย่างน่าสงสารดารินเอื้อมมือไปจับมือคริสมาบีบไว้แน่นฉันเข้าใจแล้วก็เห็นใจเธอมากนะคริสฉันจะช่วยทูนจัจจกรารอีกคนหนึ่งเพื่อพระองค์เปิดโอกาสให้เธอได้เฝ้าอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัว น้อยเธอดีต่อฉันมากจริงๆแม้ว่าเราจะเพิ่งพบตัวจริงกันไม่นานคริสติน่าพึมพำอยู่ในลำคอมือบีบตอบดารินและทันทีนั้นก็โผลเขากอดไว้น้ำตาไหลยอย่างสุดที่จะสะกดไว้ได้ดารินลูบแผ่นหลังของแม่อเมริกันผมทองโฉมงามโดยสัมผัสแห่งความเมตตาเปีย่ยมล้นลืมมันซะเถอะคริส เธออาจรู้สึกว่าสูญเสียแต่เธอก็ได้มาแล้วอย่างน้อยก็ได้ครูดีคนหนึ่งที่จะมีความปรารถนาดีต่อสิทธิตลอดไปเขาคนนั้นคือจอมพรานระพินไพรวันผู้ซึ่งโดยแท้จริงแล้วเขาก็เป็นแต่เพียงปุถุชนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่ทุกคนประทับใจในความมีคุณธรรมและความเป็นสุภาพบุรุษของเขาคุณทั้งคู่นะ เป็นบุคคลที่เหมาะสมกันอย่างที่สุดไม่มีชายหญิงคู่ไหนที่จะเหมาะสมกันยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วละ่ะขอแสดงความยินดีจากใจจริงนะน้อยที่เธอเลือกชายคนนี้เธอเลือกไม่ผิดหรอกและสมควรแล้วละ่ะที่จะต้องติดตามเข้ามาการพูดกันอย่างเป็นความลับระหว่างคนทั้งสามสะดุดลงเพียงแค่นั้นเมื่อพักพวกทั้งสองทั้งสองฝ่ายอีกหลายคน ได้พากันเดินตรงเข้ามารวมกลุ่มคริสตินารีบพลาออกจากอ้อมกอดของดารินและรีบเช็ดน้ำตาโดยเร็วก่อนที่ใครจะเห็นพูดไปในเรื่องอื่นๆกลบเกลื่อนใช่เชษฐาเชิญชวนทุกคนเข้าไปเยี่ยมคำนับศพของขุนพลกุตมะแล้วเล่าประวัติให้ฟังสั้นๆโดยมีผู้เท่าอรชุนมาเป็นผู้บรรยายให้ทราบด้วยจากนั้นทุกคนก็เข้าไปคาราวะที่บรรดาหีบสบของบุพกษัตร์ แห่งราชวงศ์เทพอนุชาเป็นคนอธิบายให้ฝ่ายอเมริกันทั้งหมดทราบว่าหนทางด้านใดที่จะนำเข้าไปสู่ขุมสมบัติอันมีค่ามหาศาลของพระอุมาเทวีที่พวกตนได้เคยผ่านเข้าไปเยี่ยมเยือนก่อนแล้วนิชามินานต่อมาจักรราชและรายชินีเมยา น, นีก็เสด็จออกมาปรากฏพระวรกายอีกครั้งในครั้งนี้ ได้สละภูษสาสีขาวในลักษณะผู้ทรงศีลออกแล้วทรงด้วยชุดกษัตริย์ยามเสด็จออกประพาสเยี่ยมเยือนชนบททุกคนต่างถวายความเคารพอีกครั้งเราขอเชิญให้ทุกท่านกลับคืนเข้าสู่ราชฐานมรดกนครณบัดนี้ทรงประกาศยิ้มยิ้มขึ้นกับทุกคนสำหรับฝ่ายมริการทุกท่าน ขอระงับความเร่าร้อนใจในเรื่องซากเครื่องบินซึ่งมาตกอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ไว้ชั่วขณะหนึ่งก่อนเรายังมีเวลากันอีกมากมายเหลือเฟือทีเดียวสำหรับคืนนี้เราขอเลี้ยงรับรองทุกท่านให้สมเกียรติ <c oughs> แล้วก็สวนความเบาๆรับสั่งต่อมาด้วยสำมนวนของโลกภายนอกว่าแกรนด์ดินเนอร์ในราชฐานมรกกนคร ผมขอรับรองครับว่าจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้โฮเตลหรูๆในเมืองใหญ่ของท่านหวังว่าคงจะไม่มีใครขัดข้องนะครับเราจะคุยกันให้สนุกในคืนนี้ครับฝ่ายอเมริกันทุกคนตะลึงงันไปอีกครั้งแล้วสเตลลี่ก็พูดดังๆขึ้นว่าผมดีใจนะที่คุณพูดจาในภาษาของโลกอารยธรรมภายนอกแล้วก็เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เอง ว่าคุณเป็นคนมีอารมณ์ขันอยู่ด้วยไม่น้อยเลยอารมณ์ขันทําให้คนเราอายุยืนอารมณ์บูยูเป็นนิดอย่างผู้กองราพินทําให้แก่เร็วครับสองรสองราตรีนี้เป็นราตรีที่อบอุ่นและยิ่งใหญ่สำหรับชาวคณะเดินทางมหาวิบาททุกคนทั้งสองคณะงานพระราชทานเลี้ยงต้อนรับ ได้ถูกจัดขึ้นที่ศาลาปาริชาติกลางอุทยานหลวงซึ่งเพียรพร้อมไปด้วยเกียรติสูงสุดเท่าที่ฝ่ายราชฐานมรกตนครจะดำเนินการจัดสรรขึ้นได้ทั้งสองคณะที่แยกกันกลับไปยังที่พักก่อนทันทีที่มาถึงได้มาร่วมชุมนุมกันอยู่ที่นี่โดยพร้อมเพรียงและเป็นครั้งแรกที่ทุกคนทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีอาวุธใดๆติดตัวติดมืออยู่เลย นอกจากชุดเสื้อผ้าที่คงมีอยู่อันเลือกแล้วว่าใหม่และสะอาดที่สุดโดยขอปฏิเสธชุดเครื่องแต่งกายแบบชาวมรกรนครซึ่งชาวพนักงานได้จัดสรรมาให้โดยขอผลับปอนไปก่อนให้เหตุผลว่าต้องการจะให้แยกตัวเองเด่นชัดออกไปในสายตาของบรรดาข้าราชบริพารเหล่ามุขมนตรีชั้นสูงทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมว่าพวกตนนั้น ภายในราตรีนี้เป็นอาคันตุกะมาจากต่างแดนประทิพชวาลาจุดสว่างสวัยเรืองรองไปทุกสุ่มทุมพุ่มพลึกและบนบริเวณของศาลาปาริชาติสัพะอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศตั้งประทับเต็มอยู่บนแท่นหินแยกออกไปหลายแท่นผลไม้ปะบนไปกับพวงบุพชาติที่ประดับแซมสวัยอยู่ และพินเครื่องใหญ่บนศาลานั้นก็ถูกบรรเลงขับกล่อมโดยนางนักพินผู้เลอโฉมทุกคนได้มารอคอยพร้อมกันอยู่ก่อนแล้วเมื่อเวลาตะวันตกดิงครั้นเมื่อราตรีมืดสนิทลงสมเด็จพระเจ้าจาักราทิราชพร้อมพระราชินีกับขุนพลอรชุนและทหารรักษาพระองค์ระดับผู้บัญชาการกองพล ซึ่งอันที่จริงก็คือมิตรสหายเก่าของคณะของเชษฐาก็ได้เสด็จประทับวอทองมาถึงไม่มีงานเลี้ยงรับรองที่ไหนที่ทั้งฝ่ายอเมริกันและฝ่ายเชษฐาจะพบว่ายิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วในชีวิตและคงจะไม่ได้มีโอกาสพบเห็นอีกภายหลังเมื่อพระจากที่นี่ไปแล้วจักรราชเสด็จดำเนินผ่านซุ้มประดับ เคียงคู่มากับพระราชินีด้วยพระพักอันยิ้มแย้มแจ่มใสผ่านเหล่ามุขมนตรีระดับสูงที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานราชพิธีอุทยานสมสร น, นั้นซึ่งแต่ละคนก็เข้าแถวยอ่อตายลงถวายคำนับผ่านมาเป็นลำดับจนถึงแถวของเชษฐาและสแตลลีซึ่งรอรับเสด็จกันอยู่คนละฝั่งทันทีที่ดำเนินแยมเยืนเข้ามาถึง ก็สงจับต้นแขนของบุคคลอันเป็นหัวหน้าคณะทั้งสองไว้พระหัตถ์ละข้างรับสั่งปนสวนว่า <c oughs> เราจะดื่มและรับประทานตลอดจนสังสรรค์นสนทนากันให้สนุกในคืนนี้แต่จะไม่มีพิธีรีตรองอะไรคิดซะว่าผมมีเพื่อนผมคือเพื่อนของพวกท่านก็แล้วกันเท่ากับว่าเป็นเจ้าภาพด้วยมีอะไรขาดตกบกพร่องก็บอกกันได้เลยออ ทรงเว้นระยะไปนิดหนึ่งเอียงพระพักเราจะเลี้ยงกันแบบบุฟเฟ่นะจะได้ไม่ต้องจำเพาะจอดจงว่าใครจะนั่งตรงไหนมิฉะนั้นจะคุยกันจำกัดเราจะเดินดื่มเดินรับประทานแล้วก็คุยกันไปพลางๆคงจะสนุกกว่าจะได้เปิดโอ ก, กาสให้ทุกคนพบปะคุยกันได้อย่างทั่วถึงดีไหมสแตนลี่หัวเราะในขณะที่เชฐิฐายิ้ม พระองค์สมาร์ทเหลือเกินเรากับเจ้าชายหรือกษัตริย์ของยุโรปแม้ว่าฉลองพระองค์จะย้อนกลับไปสู่สมัยกรีกหรือโรมันจะกราศวนพระสุรเสียงดังกังวานขึ้นยังขันขันผมจำเป็นจำเป็นจะต้องแต่งกายตามประเพณีของแผ่นดินผมด็อกเตอร์แต่คืนนี้เราจะพูดกันอย่างคนเจริญแล้วได้เด็จัดทรงเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าไว้ทุกคนแล้วเนี่ย ก็ได้รับการบอกเล่าว่าทุกคนอยากจะแต่งกายกันอย่างเดิมก่อนอะไงพระราชินีของผมเธอดูเป็นไงบ้างรับสั่งพลางผายพระหัตมาทางราชินีเมยานีผู้ประทับยืนเยื้องไปทางเบื้องหลังเล็กน้อยถ้าแม้ว่าพระนางคลีโอพัตรากลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้และได้เสด็จมาอยู่ณสถานที่นี้ด้วย พระนางก็คงรีบโจนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ในทันทีเพราะละอายโฉมและความสง่างามของนางพญาแห่งมรกรนครพระเจ้าค่ะนายคิดพูดขึ้นเป็นครั้งแรกขอบคุณพันเอกลารีคิดที่สรรเสริญเยินยอเราเมยานีตรัสขึ้นบนสวนเบาๆและทุกคนในที่นั้นก็ยิ้มบรรยากาศเต็มไปได้วยความแช่มชื่นสดใส ย, ยิ่ง แล้วนี่นี่ผู้กองรพินของผมอยู่ไหนนะเนี่ยหวังว่าคงไม่อ้างว่าป่วยแล้วไม่มาร่วมงานในคืนนี้น่ะกษัตริย์หนุ่มรับสั่งถามขึ้นขณะที่กวาดเนธดูทั้งสองแถวที่ยืนเรียงรายอยู่นั้นโดยยังทอดพระเนรไม่เห็นครานใหญ่นอนแนเพคะเขาไปยืนอยู่ท้ายแถวรวมกับพวกลูกหาบของเราอยู่นนดารินทูลขึ้นพร้อมกับชีมือ จักรราชจุพระโอเคเบาๆโครงพระเศียนไม่ก็ควรจะยืนอยู่ข้างๆคู่ชีวิตหรือมองกุฎไพรของเขาผูกกองแล้วก็เป็นอย่างนี้เสมอเชียวทรงพึมพำบ่นเบาๆแต่ริมโอดยังกราดละไมไปด้วยรอยยิ้มแล้วเสด็จออกเดินต่อโดยโบกรหัสให้บุคคลเหล่านั้นที่ทรงทักทายก่อนแล้วเดินร่วมกันไปเป็นหมูด้วยเมื่อผ่านเบลและคริสติน่า ซึ่งขณะนี้แต่งกายในชุดเดินป่าที่ไม่อิ่มและกระชับกระเฉงสง่างามที่สุดอันเป็นชุดอย่างเดียวกับการแรกเริ่มออกเดินทางจากหนองน้ำแห่งซึ่งทั้งสองก็ย่อ ก, กายอ่อนช้อยลงพระองค์ก็พายิมตรัสชมว่าอืมสวยสง่าน่ารักทั้งสองคนนะไม่ว่าจะเป็นอิสเบอร์หรือว่าคริสตินา รับสั่งเอ่ยนามเต็มของสองสาวอเมริกันออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงจะมีความสามารถในการบุกป่าฝ่าดงได้เก่งกาจถึงเพียงนี้พระองค์ก็ทรงเห็นด้วยชาญแล้วไม่ใช่หรือเพคะว่าหม่อมชั้นกับคริสนะ่ะเกือบจะตายกันแล้วคนละหลายหลายครั้งถ้าไม่ได้พระสหายรักของพระองค์ช่วยไวยนะ้น่ะอืิจริ ง, จ ร, งจริงสินะ มันก็เป็นอย่งงางนั้นจริงๆด้วยว่าแต่พวกคุณอย่าว่าแต่พวกคุณเลยแม้แต่คนคนหนึง่งที่มีนามว่าแง่สายก็ยังเกือบตายอยู่หลายครั้งถ้าไม่ได้ครานที่ชื่อว่ารพินช่วยเอาไว้ในป่าแล้วเขาน่ะเป็นเจ้าแห่งป่าอย่างแท้จริงคงจะไม่มีใครหรอกที่จะไม่เคยตกเป็นหนี้บุญคุณไม่ด่านใดก็ด้านหนึ่งจากเขาผู้นั้นรพินไคลวันคือที่พึ่ง ที่หวังของทุกคนถ้าอยู่ท่ามกลางอาณาจักรป่าดงพงไพรแต่ตัวเขาเองสิกลับดำรงชีพยอยู่ด้วยความผิดหวังมาตลอดเรื่องนี้หม่อมฉันขอทักท้วงในพระดำรัสเพคะคริสติน่าแทรกขึ้นโดยเร็วอย่างขัดจังหวะจักรราษก้มเสียนลงนิดนึงเนตเป็นประกายขณะที่เอื้อมหัดมาแตะที่แขนของแม่แผวผมทองแผวเบาอย่างสุภาพนุ่มนวล ผมเข้าใจในสิ่งที่คุณทวงแต่ผมยังพูดไม่จบประโยคคือผมกำลังจะพูดว่าเขาผิดหวังตลอดมาแต่เพื่อจะได้มารับความสุขสมหวังอย่างแท้จริงในการหวนกลับมายังมรกรนครแห่งนี้อีกครั้งเท่านั้นเพคะหม่อ ม, ม, มฉันก็แน่ใจเช่นนั้นล่ะเพคะแต่พระองค์ทรงมีกระแสรับสั่งกับพวกเราทั้งหมด นักที่นี่เดี๋ยวนี้ภายในคืนนี้ผิดแปลกไปมากเช่ ا? ก็บอกแล้วไงว่าสำหรับนักที่นี่คืนนี้ขอให้ถือซะว่าผมคือเพื่อนของพวกคุณทุกคนเราจะไม่มีพิธีรีตองอะไรกันทั้งนั้นแหละพวกคุณจะเรียกผมว่าแงซทายหรือจะเรียกว่าจักรราชก็ได้แล้วก็ไม่ต้องมาใช้ราชาสัปกับผมหรอกพวกเราคงมีบางอาจ หรืออาจเอื่อมถึงขนาดนั้นนกไปคะโดยเฉพาะท่ามกลางหมู่ข้าราชบริพารที่ร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยดารินเสริมขึ้นจักราชหันไปน้อมเสียนให้ดารินนิดนึงก็สุดแล้วแต่พี่สาวและทุกคนจะเห็นสมควรแล้ะครับเงาทรายไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิน้นเอาว่าตามสะดวกสบายก็แล้วกันแต่ขอโปรดได้รับทราบว่าคืนนี้เป็นคืนที่ผมมีความสุขที่สุด แล้วก็หวังที่จะมีคืนอย่างนี้มานานแล้วจนถึงก็ต้องไปบำเพ็ญทุกกริกรยาเพียพรภาวนาอยู่ในถ้ำแห่งนั้นเพื่อชักนำพวกท่านทุกคนให้มาพบกันที่นี่ให้จงได้ครับพางก็ทรง แ, แลไปทางชยันผู้เดินเยื้องไปทางเบื้องหลังเล็กน้อยตรัสต่อมาว่านายทหารชยยันครับผมคิดว่าบุตรชายของท่านที่เพิ่งเกิดและเห็นหน้ากันเพียงแค่ไม่กี่วัน คงจะมีสุขภาพพลานาไมที่สมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีมากพระเจ้าค่ะแล้วเขามีนามตามที่ท่านได้เจตนา จ, จะตั้งชื่อไว้ก่อนหรือเปล่าละ่ะคือว่าถ้าเกิดมาเป็นชายก็น่าจะชื่อเหมือนสกุลของพรานใหญ่ผู้นั้นแน่นอนพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ตั้งนามลูกแล้วคือไพรวันแล้วก็หวังไว้ว่า ต่อไปนี้คงจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ชื่อดังกล้องไปทั่วเมืองไทยแล้วพระเจ้าค่ะจักรราศวนยเบาๆเหลวไหลต่อไปนี้นะ่ะเขาจะเป็นนักบินอวกาศไทยที่บังคับยานอวกาศไปสำรวจดวงดาวทั่วจักรวาลต่างหากแล้วก็อาจจะได้มาเยี่ยมอางแงทรายของเขาที่นี่ก็ได้ด้วย เมื่อเสด็จผ่านมาถึงกลุ่มของพวกลูกหาบทั้งหลายจักรราชก็ทรงประกาศว่าขอพี่น้องสาหารีสาหายพรานของข้าทุกคนดื่มกินกันให้เต็มที่ภายในคืนนี้ไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้นนะดื่มกินกันให้สนุกสนานเหมือนเหมือนกับคืนแห่งการฉลองชัยชนะของจักรราชที่กลับมากอบกู้บอลลังได้ในครั้งนั้นทุกคนยิ้มอย่างสารวม จะมีก็แต่ตาคําคนเดียวที่ทูลขึ้นหน้าตาเฉยว่าจะไม่ไหวกระมังพระเจ้าค่ะเสนาอํามาตย์ละคนของพระองค์นะ่ะล้วนแต่มีสายสายเขียวเหลืองแดงชมพูม่วงกันทั้งนั้นพวกบุญคำน่ะต่าต้ตอยจะมีก็แต่สายสพา ย, ย่ามเก่าๆจะไปร่วมกับพวกเขาได้ยังไงพวกนั้นมองพวกบุญคําจากพระหัว จะโรดพระตีนเลยพระเจ้าข่าเอา้าถ้าใครธรรมการอย่างนั้นลุงคากับพระตีนถวายที่พระก้นของมุขคำมาดมหาอมาตหรือคณะรัฐมนตรีของฉันทุกคนได้เลยอนุญาตให้ตามสบายขออย่างเดียวลุงอย่าถึงก็แก้ผ้าไปเต้นระบำรำฟ้อนกนางระบำที่เขาจะจัดออกมาให้ดูเท่านั้นแหละทุกคนแม้แต่พวกเชษดถาเลสแตลีหากันคืน รพินผู้ยืนอยู่ข้างตาคําเป็นคนซ้ายสุดเอานิ้วดีดหูของแกโดยแรงจนต้องแยกเคี่ยวร้องโอ๊กแล้วล่าตัวแกให้พ้นพระพักออกมาซึ่งก็พอดีกับที่จักรราชแลไปพบตาของผู้ทุกขู่ยากเก่ามองหาตั้งนานที่แท้ก็ยืนอยู่ตรงนี้เองผู้กองที่ไม่น่ารักของผมนี่ทุกคนน่ะเาแต่งชุดใหม่เอี่ยมอ่องกันหมด ผู้กองก็ยังกระรุ่งกระริ่งเหม็นสาบอยู่ตามเคยอะนะเออข่าพระองค์เหลืออยู่ชุดนี้ชุดเดียวที่นับว่าดีที่สุดเออหน้าสงสารที่จริงจพรานใหญ่เราว่าอย่างนี้นี่นะจะไม่ให้นายหญิงทิ้งไปได้ยังไงแต่ถึงจะหนีไปไหนก็ยังอุดซาตามกลับจนได้นะก็ถึงว่าแล้วคู่แล้วไม่แคล้วกันเนาะผู้กองเนาะ นี่นี่ถ้าไม่คิดว่าทรงชุดกษัตริย์อยู่ขนาดนี้แล้วก็ฉันเปกี้จริงๆด้วยพาวะเมื่อไรก็เหมือนนั้นสันดาลยั่วโทรสามไม่มีวันหายไปจากแกได้เลยนะเนี่ยระพินพูดลอดไรฟันออกมาจัก ร, รราชทรงทมพระโส ท, ทวนลมเหมือนไม่ได้ยินซะแล้วก็หันมากล่าวเชิญชวนให้ทุกคนเริ่มดื่มและรับประทานอาหารร่วมกันแล้วงานสังสรรก็เริ่มขึ้น นัาบัดนั้นท่ามกลางชาวพนักงานในเครื่องแบบเต็มยศเดินบริการคอยให้การช่วยเหลืออยู่พวกกลุ่มพลานพื้นเมืองแยกไปจับกลุ่มกันอยู่ที่แท่นอาหารและเครื่องดื่มใกล้ๆอีกแห่งหนึ่งและกลุ่มเจ้านายก็ร่วมกันอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเสมือนการเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ของโลกอารยธรรมภายนอกที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวพบปะกันได้ตลอดเวลาโดยไม่จําเป็นจะต้องอยู่กับที่ รพินยังยืนนิ่งสุบุหรี่ใบตองแห้งอยู่กับที่และขนาดนั่นเองสิริลักษณ์สูงระ ง, งานของราชินีเมยานีก็ดําเนินแย้มยืนตรงเข้ามาโดยบัญชาจากนายหญิงขอให้พี่เข้าไปร่วมกลุ่มกับพวกเราด้วยค่ะฝากบอกเมยานีมาด้วยว่าถ้ายังยืนนิ่งอยู่ที่นี่คนเดียวนะ่ะเธอจะมาตามลากตัวเข้าไป แล้วก็อาจจะขายหน้าคนอื่นได้เพราะเธอจะมาดึงที่ใบหูของพี่นะคะมียานีได้รับคำสั่งยังไงก็ เ, เอามาบอกทั้งประโยคอย่างนี้ละคะ่ะจอมพรานสะดุง้งตื่นจากผวังฝืนยิ้มออกมามียานีจ้องหน้าแล้วสวน น, น้อยรับสั่งต่อมาว่าพี่มีความทุกข์อะไรอยู่อีกหรอคะเปล่าเปล่านี่ข้าพระองค์มีแต่ความสุข หาได้มีความทุกข์ใดๆเลยทั้งสิ้นไม่เพียงแต่ตื่นตะลึงต่อสถานที่และภาวะแวดล้อมของงานเลี้ยงรับรองภายในคืนนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่คิดว่ามหาราชินีจะเสด็จมารับสั่งเตือนข้าพระองค์เองอย่างนี้เมื่ออยู่กันตามนำพังสองต่อสองและโดยที่คนอื่นไม่ได้ยินได้ฟังอยู่ด้วยอย่าพูดกามยานีอย่างนี้สิคะ ขณะที่องค์จักรราชกําลังรับสั่งอยู่กับกลุ่มของอเมริกันเกี่ยวกับเครื่องอากาศยานที่มาตกในดินแดนนี้นายหญิงต้องการให้พี่เข้าไปร่วมฟังอยู่ด้วยค่ะเมยานีเบี่ยงพระวรกายเหมือนจะหลีกทางให้ในขณะที่รพินก้มศีรษะให้นิดนึงพร้อมกับก้าวตรงเข้าไปยังกลุ่มใหญ่ทั้งหมดที่กําลังยืนสังสรรค์กันอยู่โดยมีสิริลักษณ์อันสูงใหญ่ของจักรราชประทับอยู่กลางวง ณที่เขาก้าวย่างเข้ามาถึงจักรราศกําลังส่งจอกทองคาบรรจุน้ำเมรัยชนิดเบาบางและมีรสชาติอันหวานหอมละรื่นไปกระทบกับฝ่ายอเมริกันและฝ่ายของเชษฐทาทุกคนซึ่งไม่เห็นเขาก้าวเข้ามาถึงก็ชูจอกทองคานั้นให้เขานิดหนึ่งรับสั่งประกาศขึ้นด้วยพระสุรเสียงกังวานไพเราะว่า สำหรับจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนขอให้เราดื่มให้แก่เขาฝ่ายอเมริกันทุกคนชูจอกขึ้นเหนือสีสะัะร้องออกมาพร้อมๆกันว่า for our great man v o r a v o r a v o ส่วนฝ่ายของเชตฐาก็ชูจอกขึ้นเหนือสีสะเช่นกันตะโกนประสานขึ้นว่า สำหรับพรานใหญระพินของเราจะโย่จะโย่จะโย่แล้วทั้งจักรราษและทุกคนก็ยกหยอกในมือขึ้นจิบกษัตริย์หนุ่มก็ยิ้มกับระพินรับสั่งว่าทุกคนแสดงความยินดีในทุกเรื่องให้แก่ผู้กองครับจอมพรานถอนใจลึกก้มศีรษะลงคำนับให้แก่ทั้งหมดที่ยืนชุมนุมกันอยู่ตรงหน้าเขา ส่งยิ้มแย้มและเสียงทักทายแซดเข้ามาขณะนั้นเองพนักงานผู้หนึ่งก็ประคองถือถาดจอกน้ำเมรเข้ามา mm. เขาได้หยิบขึ้นมาถ้วยหนึ่งแล้วชูขึ้นช้าๆ mm. ในานามของรพินไพรวัน mm. ขอให้พวกเราทุกคน mm. ทุกฝ่าย mm. จงฟังเสียงของเขาแช่มช้า mm. และได้ยินดังไปทั่ว mm. ทั้งพวกลูกหาด พลานพื้นเมืองและเหล่าอำมาตย์มนตรีทั้งหลายที่ชุมนุมคราค่ํำอยู่รอบๆ บ, บริเวณซึ่งหันมาเป็นตาเดียวขอให้พวกเราทุกคนจงมาพร้อมใจกันดื่มถวายพระพรชัยให้แก่สมเด็จพระเจ้าจาักราธิราชและสมเด็จพระบรมมาราชินีเมญานีตลอดจนชาวมรกกนครทั้งหลาย ที่ทรงดนบรรดาให้การเดินทางมาของพวกเราในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลงทุกประการขอสมเด็จพระเจ้าจาั ก, กราธิราชและมหาราชินีเมญานีจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานชยโย่ชยโย่เชยโยเสี ย, ยงโห่ร้องกระหึมขึ้นทั่วศาลาปาริชาติ และอุทยานแห่งนั้นไม่เพียงแต่พวกเจ้านายทั้งสองฝ่ายเท่านั้นแม้แต่พวกพรานบื้นเมืองพวกลูกหาบและเหล่าเสวากามาตอันร่วมอยู่ในงานเลี้ยงฉลองรับรองนั้นชูถ้วยขึ้นโหร้องแซ ส, สนันไปทั่วกระหึ่มก้องระพินไัยวันดื่มจนหมดถ้วยนั้นและจากใจจริงของเขากษัตริย์ชมงามแห่งมรกฎนคร ยกพระหัตถ์ในระดับพระเศียนชูให้กับเขาพร้อมกับยิ้มพพรยแล้วฝ่าพระหัตถ์ข้างนั้นเบนเฉียงลักษณะเหมือนจะทำวันทยาหัตให้จากนั้นก็พยักพระพักให้พรานใหญ่เดินเข้ามาใกล้ๆขอบคุณผู้กองมากครับผมเรากำลังร่วมปรึกษาหารือกันอยู่เกี่ยวกับเครื่องบีห้าิบสองแล้วก็ระเบิดสิบแมกกาซนลูกนั้น ที่อัดปางอยู่ในดินแดนนี้แล้วก็อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายของด็อร์สแตนลีและฝ่ายของคุณชายเชษฐาได้ร่วมเข้ามาเป็นคณะเดียวกันในการหารือครั้งนี้การที่เครื่องมาตกอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายคงจะได้ทราบคร่าวๆก่อนแล้วจากท่านอรชุนและราชินีเมยานีคือพรุ่งนี้จะเป็นเวลาไหนก็ได้ ขอให้ทุกคนได้พักผ่อนนอนหลับกันให้สบายเต็มอิ่มและผมจะพาท่านทั้งสองคณะไปดูยังตำแหน่งอับปางของเครื่องนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลที่ไหนนักหรอกแท้จริงก็ตกอยู่ยังบริเวณที่ราบโลง่งหลังขุนเขาอันเป็นมหาสุสานที่ผมได้เข้าไปนั่งบาเพ็ญศียู่นั่นแหละทรงรู้อะไรหมดทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องและระเบือที่บรรทุกอยู่ ทรงรู้แม้กระทั่งแบบของเครื่องและปริมาณของระเบิดคิดร้องบอกระพิน์ออกมาอย่างตื่นเต้นขีดสุดและพวกเราก็ไม่ได้ห่วงหรือวิตกอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านั้นเลยไอ้ที่ห่วงก็ห่วงอยู่เรื่องเดียวแหละคือกำมันตาภาพรังสีของนิวเคลียร์สิบเมกะตันลูกนั้นสเตลีบอกมาเร็วหรืออีกคนหนึ่งแสดงว่าก่อนหน้าที่ระพินจะก้าวเขมานั้น ทั้งคณะได้มีการปรึกษาหารืออะไรกันอยู่ก่อนแล้วและทรงรับสั่งว่ายังไงล่ะพลานใหญ่ถามมาหน้าตาเฉยซึ่งในระหว่างนี้ฝ่ายของเทือดาทั้งหมดเพียงแต่คอยเงี่ยหูสดับรับฟังอยู่เท่านั้นปล่อยหน้าที่การพูดจาสนทนาให้เป็นของพวกอเมริกันกับกษัตริย์จักรราชตามลำพังเท่านั้นระหว่างที่หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลีย และพันเอกคีตอึ้งนิ่งอยู่คริสติน่าก็บอกขึ้นด้วยหางเสียงกังวลว่า <c oughs> พระองค์ทรงรับสั่งเหมือนเหมือนกับที่ครูได้เคยบอกกับพวกเราไว้ก่อนแล้วนั่นก็คือกรรมตภาพรังสรรีที่เราเกรงว่าจะเล็ดรอดรั่วไหลออกมาได้นะ่ะจะไม่มีวันรั่วไหลออกมาได้อย่างเด็ดขาดและจะไม่เป็นอันตรายใดๆแก่มรกรกนครเลย และ ว, ว่ามันจะกลายเป็นเพียงวัตถุธรรมดาชิ้นหนึ่งไปเท่านั้นความจริงเราก็อยากจะเชื่อพระองค์ในเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้เรื่องนี้สำคัญมากนะครูการจะกู้กลับคืนไปได้หรือไม่นะพวกเราไม่ห่วงหรอกแต่เราห่วงในเรื่องนี้เท่านั้นแหละก็แปลว่าผู้กองรบพินเขารู้เท่าๆกับที่ผมรู้เรามักจะรู้อะไรเหมือนๆกันแหละเพียงแต่ว่าใครจะรู้ก่อน หรือรู้หลังหรือ ร, รู้ว่าอีกฝ่ายรู้แล้วกแกล้งทำไม่รู้เท่านั้นแหละอดีตแงซ า, ายพูดมาเบาๆพรานขายิบตาให้ระพินนิดนึงเหมือนจะล้อๆแล้วพวกคุณคิดกันยังไงอ่ะพรานใหญ่ถามเราก็ยังคิดอะไรกันไม่ออกทั้งนั้นแหละขณะนี้สแตลลีว่ายกหลังมือขึ้น ข, นขยีปลายจมูกหัวเราะ อ, ออกมากร่อยๆทั้งนั้นก็ เอางี้ผมตัดสินใจให้เองรับพินว่าพรุ่งนี้รับสั่งอนุญาตไว้แล้วเนี่ยที่จะให้พวกคุณหรือพวกเราทั้งหมดไปตรวจดูยังซากเครื่องตกนะ่ะพวกคุณก็เอาเรเดียชันเซเวมิเตอร์หรือเครื่องมืออะไรก็ตามที่จะเตรียมกันเข้าไปตรวจหากัมมันตภาพรังสีด้วยว่าจะมีการรั่วไหลออกมามั่งหรือเปล่าและหลังจากนั้น ค่อยปรึกษากันอีกทีว่าจะทําไงฝ่ายเมริการทุกคนมองหน้ากันไปมาในที่สุดแตนลีย์อันเป็นหัวหน้าคณะก็บอกมาเสียงต่ําๆว่าก็คงไม่มีอะไรจะทําได้ก่อนอื่นมากไปกว่าสิ่งที่คุณได้บอกมานั้วแหละระพินแต่ผมมีข้อแนะนํานะว่าเมื่อเราเดินทางไปถึงที่นั่นขอให้มีเฉพาะพวกผมเท่านั้นที่เสี่ยงเข้าไปตรวจดูภายในซากเครื่องเพราะฝ่ายเรามีเครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว พวกคุณทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องขอได้โปรดสังเกตการอยู่ภายนอกห่างๆในรัศมีประมาณหนึ่งไม้ก็ได้ถ้าคุณต้องการอย่างนั้นน่ะระพินบอกมาขณะนั้นดารินก็เอ่ยถามโผงขึ้นว่าจะไม่มีใครทูลถามจักรราชมั่งเลยเหรอว่าพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้กษัตริย์ฉมงามแห่งมรกฎนครสวนขึ้นเ บ, บา ผมไม่มีข้อวินิจฉัยหรือชี้แนะอะไรหรอกครับพี่สาวเจ้าของทรัพย์สินเขาย่อมมีสิทธิในการที่จะดำเนินการทุกอย่างที่เขาเห็นสมควรได้และทางด้านผมก็จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างเป็นการสนับสนุนให้เท่าที่จะทำได้ทีเดียวโดยไม่ขอแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นยกเว้นประการเดียวคือถ้าสุดความสามารถที่จะนำซากหรือระเบิดออกไปจากแผ่นดินนี้ได้ก็อย่าได้เป็นห่วงเลย ทิ้งมันไว้ที่นี่แหละมันจะเปียนเพียงแค่วัตถุอนุสร์เตือนใจให้พวกเราได้คิดว่าครั้งหนึ่งโดยสาเหตุที่มันได้มาตกอับตางอยู่ที่นี่จึงช่วยชักนำให้ผมกับผู้กองระพินและคณะเจ้านายเก่าของผมได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นก็แปลว่าพระองค์ทรงยินยอมทุกประการที่จะให้เราจัดการกระซากเครื่องและระเบิดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ใช่ไหมเนคะเวนถามมาด้ยวยเร็วจะกระาชถ่ายประหัตออกตามสบายทุกอย่างได้เลยเบลแม้ว่าแม้ว่าถ้าเราจะเรียกกำลังทางอากาศมาเพื่อขนบรรทุกซากและระเบิดกลับอย่างนั้นเหรอครับถ้าพวกคุณสามารถทำได้ผมก็ไม่ขัดข้องครับรับสั่งมาด้วยริมโอที่มีรอยยิ้มหยันน้อย ป็นหนักไปในทางสมเพศเวทนามากกว่าจะชิงชังทุกคนอึ้องไปอีกและขบคิดหนะักเมื่อนั้นอนุชาจึงกล่าวขึ้นเป็นการรวมๆ ว, ว่าเรื่องนี้เราเละไว้พรุ่งนี้ดีไหมครับอย่าให้มันเคร่งเครียดอะไรภายในคืนนี้ก่อนเนี่ยสาหรับคืนนี้เรามาคุยกันให้สนุกตามพระราชประสงค์ขององค์จักรราชก่อนดีกว่าเบ๊ คุณมาคุยกับผมทางนี้ก่อนดีไหมท่าทางคุณคงคุยสนุกมากและผมก็อยากจะคุยกับคุณมานานละกล่าวพลางอดีตพลานชดประชากรก็เอื้อมมือมาจับข้อมือของอิสเบลผู้ช่างพูดอย่างสนิทสนมและนําเดินจูงไปทางด้านหนึ่งซึ่งหล่อนก็หัวเราะระรื่นเยื่องกลายตามไปโดยดีระหว่างทางผ่านพบนายคิดยืนหน้าแดงกเพระฤทธิ์เล่าอยู่ อีกมือหนึ่งของอนุชาจึงคว้าจุงออคีตไปด้วยเชิญชวนไปสังสรรค์กันโดยเฉพาะก่อนเชฐาสแตลีและชัยยันคงยืนรวมกลุ่มสนทนาอยู่กับกษัตริย์จักรราชดารินาหัวเราะเริงร่า จ, จับคู่อยู่กับราชินีเมยานีและพวกพรานทั้งหลายกับสางปาขยินและหนานอินร่วมอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นด้วยบรรยากาศของสถานที่นั้น เต็ไมได้วยความอบอุ่นสุขสรรและหอมหวานไปด้วยมิตรภาพไมตรีจิตของทุกฝ่ายคริสติน่าขณะนี้กำลังยืนถือถ้วยเหล้าพื้นเ ม, มืองของมรกรนครยืนพิงซุ้มไม้ดอกที่เลื้อยพันเสาหินอ่อนสายตามเมลอมองดูนางนักพินที่กำลังกรีดนิ้วสาวสายพินให้บังเกิดเสียงอันอ่อนหวานไพเราะอยู่ตามลาพังคนเดียวด้วยอาการอันสงบ และดูเหมือนแม้จะร่วมอยู่ในงานเลี้ยงใหญ่แต่ก็ปรารถนาที่จะเลือกเอามุมสงบที่สุดอย่างเดียวใดระพินกำลังใช้มีดตัดเนื้อนกยูงอบที่วางอยู่บนถาดขณะนั้นเองก็รู้สึกว่ามีใครมากระทบะเบาๆเพราะเหลือบก็เห็นเชิดบุตรทำเป็นเดินเฉียดใกล้เข้ามาพร้อมกับกระซิบบอกมาเบาที่สุดว่าพี่ครับคริสหลบไปยืนอยู่ที่นั่นคนเดียว ถ้าทางเศร้าๆซึมๆยังไงบอกไม่ถูกเลยพี่คุณพุทธก็ควรจะเข้าไปพูดคุยอะไรกับเธอนะเขากระซิบตอบโดยไม่มองหน้าคงเชือดเนื้อนกยุงอยู่เช่นนั้นผมว่าพี่ควรจะเข้าไปคุยอะไรกับเธอมั่งก่อนนะ่ะในอีกสักครู่ผมจะตามเข้าไปนี่น้องชายคริสะเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะแต่เอาเถอะผมจะทําตามที่คุณขอร้อง พรานใหญ่บอกโดยที่ทั้งสองพูดกันชนิดที่ไม่มีใครสังเกตเห็นได้ในลักษณะเพียงแค่ไปยืนตักอาหารอยู่ใกล้ๆ ก, กันเหมือนจะไม่ได้มีอะไรสนใจต่อกันเลยรพินหั่นเนื้อเสร็จก็เขี่ยลงถาดแล้วเดินก้าวตรงเข้าไปอย่างแม่อเมริกันเลือดผสมตุรกีอันเป็นอีกคนหนึ่งที่เขามีความสนิทสนมใกล้ชิดมากที่สุดในชีวิตรองลงไปจากดารินร่วมพชนภยัย ร่วมทุกยากกันมาสารพัดรูปแบบและมีความประทับใจในความรู้สึกอันเป็นมิตรอย่างลึกซึ้งของหลอนซึ่งแน่ละเขารับไว้ได้แต่เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่อาจที่จะรับไว้ได้ทั้งหมดที่หลอนปรารถนาจะมอบให้คริสติน่าคงยืนพิงเถา้เลื้อยขนาดยักษ์ซึ่งมีลักษณะเหมือนสายชิงช้าลืมตัวอยู่เช่นนั้น จนกระทั่งรับพินเข้ามายืนอยู่ด้านหลังคริสครับเขาแตะไหลและออกเสียงเรียกเบาๆแม่ผมทองสะดุ้งน้อยๆหันควักมีอาการตกใจและประหลาดใจเล็กน้อยฝืนยิ้มให้ทักมาเรียบเรียว่าให้คุณน่าจะมีความสุขที่สุดสำหรับคืนนี้นะเพราะไฟคุณพบเครื่องบิ น, นพบเครื่องที่มันมาตกแล้ว พรุ่งนี้ก็คงจะได้เข้าไปสำรวจละคริสตินาจ้องลึกประสานตาเขานิ่งเข้าไปขณะหนึ่งคงพยายามยิ้มอยู่เช่นนั้นแล้วยักไหล่นิดหนึ่งครูไม่ทราบหรือทาเป็นไม่ทราบคะว่าฉันเลิกสนใจเครื่องลำนั้นไปตั้งแต่เดินทางมายังไม่ถึงเนินพระจันทร์ฉันด้ซ้ำไปนี่แปลว่าจะไม่ตรวจดูอะไรมันเลยทั้งทั้งที่พบแล้วยังงั้นเหรอ อาจจะต้องทาตามหน้าที่และในที่สุดมันก็คงจะต้องถูกปล่อยทิ้งให้อยู่ในลักษณะนั้นชั่วนิรนันด์โดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยเราคงทำได้เพียงแค่มาเห็นเท่านั้นและที่มีวาสนาได้มาเห็นก็โดยความสามารถของครูนั่นแหละคุณหญิงดารินอยู่ที่ไหนสละคะเนี่ยถ้าสนทนาอยู่กับราชินีเมยานีนทนผมตักอาหารมาให้คุณอะ สังเกตดูคุณไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยนอกจากเหล้าขอบคุณค่ะครูแต่ฉันไม่รู้สึกหิวหรอกห น, หนะปวดร้องท้องซะหน่อยและนี่ก็เป็นคำสั่งของครูนะถ้าคุณยังคิดว่าผมเป็นครูของคุณกล่าวพลางเขาก็ยื่นจานนั้นไปให้คริสถอนใจเบาๆจิบเหล้าในถ้วยแล้วรับจานอาหารมาอย่างเสียไม่ได้ ระพินกดไหลเบาๆให้สุดตัวลงนั่งบนมาหินในขณะที่ตัวเขาเองยังยืนอยู่ตรงหน้าคริสจิบถ้วยเหล้าอีกครั้งแล้วยกให้เขา for you lucky man แล้วก็ยกขึ้นดื่มอีกจนหมดนี่ระวังเมานะคุณผมเห็นคุณดื่มมากว่าสามสี่ถ้วยติดกันแล้วขอบคุณอีกครั้งที่เป็นห่วง วายฉันขอเรียกเหล้าของที่นี่ว่าวายนะรสชาติวิเศษมากเหนือกว่าวายทุกขนทุกแห่งในโลกที่ฉันเคยดื่มมาแล้วลิ้นไก่ของคริสติน่าชักจะสั้นขณะนั้นนางพนักงานบริการได้ถือถาดบรรจุถ้วยเมลาผ่านมาอีกคริสติน่ากระดิกนิ้วเรียกทำท่าจะคว้าขึ้นมาอีกถ้วยนะึงแต่รพินจับข้อมือไว้สก่อน แล้วหันไปพยักหน้าเป็นความหมายกับนางพนักงานรูปงามคนนั้นให้เดินผ่านเลยไปซะสีหน้าของเขาครึมเยือกลงแต่ดวงตาอ่อนโยนการุนีกคริสผมขอร้องนะขอร้องให้คุณหยุดดื่มเพียงแค่นี้เถอะตกลงค่ะถึงยังไงฉันก็ยังเคารพนับถือครูอยู่เหมือนเดิมครูรับพิน ครูนะ่ะทำให้โลกธาัุทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเปลี่ยนแปลงไปได้หมดเสียใจด้วยนะที่ตอนนี้ไปถ้าคุณครูเกิดอาการเจ็บป่วยใดๆขึ้นอีกฉันคงหมดหน้าที่รักษาพยาบาลครูแล้วละจอมพรานสั่นศีสระชา้าๆจับต้นแขนของหล่อนไว้บีบเบาๆคริสแต่ถ้าคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ ผมจะไม่มีวันทอดทิ้งคุณหรอกจนกว่าจะถึงวันที่เราต้องจากกันคริสติน่ากลั้มกลืนอะไรบางอย่างลงสู่สวงอกวางจานอาหารลงข้างข้างกายโดยไม่แต่ต้องเอามือทั้งสองประคองที่แก้มของตนเองบังคับเสียงไม่ให้สั่นเครือฉันเชื่อว่าครูไม่ทอดทิ้งฉันในข้อนั้น แน่นอนแล้วก็เชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างในตัวครูแต่ครูจะเชื่ออะไรฉันบั่งไหมอะไรล่ะคริสครูครับแม้จะเพิ่งพบเห็นตัวจริงกันเป็นครั้งแรก่ฉันก็มีความเคารพยำเกรงแล้วก็รักนับถือสุภาพสตรีคนนั้นมากมาก ครอ่ะคริสจำเป็นด้วยเหรอครูที่จะต้องเอ่ยนามของเธอออกมาอ๋ อ, อระพิน พ, พึมพำออกมาพร้อมกับยิ้มให้อย่างปลุกปลอบแล้วตัวคุณเองก็ขอได้โปรดมั่นใจเถอะว่าสุภาพสตรีผู้นั้น่ะก็มีความรักความปรารถนาดีต่อคุณเช่นกันไม่เฉพาะต่อคุณเท่านั้นหรอก แต่ต่อทุกชีวิตของมนุษย์แล้วก็สัตว์โลกทีเดียวคริสติน่าค่อยๆลุกขึ้นยืนจ้องที่ดวงหน้าของเขาพร้อมกับพูดว่าครูคะความจริงครูก็ไม่จะผู้ชายที่รูปหล่องดงามอะไรเลยนะชายที่งามหมดจดที่สุดซึ่งฉันคิดว่าในโลกนี้ถ้าจะมีการประกวดชายงาม ก็คงจะได้แก่เขาคนนั้นซึ่งขณะนี้ประทศประทับอยู่โน่นคิงจักรราชแล้วทำไมอ่ะทำไมเธอไม่รักเขาฉันคิดว่าเขาเพียบพร้อมทุกอย่างกว่าครูสิอีกเอ้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคริสแต่เดี๋ยวนี้ผมแน่ใจแล้วก็สามารถบอกกับทุกคนได้แล้วอย่างภาคภูมิใจว่า เธอรักผมครับส่วนผมนะ่ะรักเธอมานานแล้วตั้งแต่แรกพบทีเดียวเป็นความรักของหมาวัดที่แง้มมองดูดอกฟ้ายังไงยังงั้นแหละแล้วผมก็ดีใจที่คุณก็รักเธอด้วยครับครูครูทราบไหมหล่อนช่างักไปแค่นั้นอ่ะต่อให้จบประโยคสิอย่าค้างไว ืมครูทราบไหมว่าว่าฉันเข้าใจเช่นนั้นว่าเธอก็มีความระแวงแคลงใจในตัวฉันอยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่เธอไม่ถือสาและพร้อมที่จะอภัยให้เท่านั้น่ะคุณรู้ได้ไงคริสครูคะผู้หญิงตอบผู้หญิง เราอ่านสายตากันออกค่ ะ, ะแล้วเธอแสดงท่าทีอะไรให้คุณเห็นอย่างนั้นน่ะคริสไม่ไม่เลยครูเธอไม่โง่หรือตื้นถึงเพียงนั้นหรอกเธอฉลาดมากแล้วเธอก็รักครูอย่างแท้จริงรักจนไม่อยากจะพูดหรือแสดงอะไรให้ครูเสะเทือนใจหวั่นไหวแล้วก็ไม่ลามาไปยังบุคคลอื่นด้วย ข้อนี้แหละครูที่ทำให้ฉันเกรงน้ำใจเธอมากคริสก็อย่างที่จักราราศงรับสั่งไว้กับคุณแล้วในถ้ำไงตอนที่เราพบกันบ่ายนี้ว่าโดยแท้ที่จริงแล้วนะคุณมีท่าแทในตัวเองที่ดีงามอยู่มากทีเดียวแล้วมันก็ได้แสดงออกมาให้ปรากฏเห็นเด่นชัดขึ้นทุกวันตามการเวลาที่ผ่านไป คริสติน่าหลบตาลงตันใช่พระองค์ทรงเปรียบเหมือนเท พ, พเจ้าที่ทรงล่วงรู้อะไรไปหมดทุกอย่างรู้รู้จนชั้นกระดากอายพระองค์แทบจะแทรกแผ่นดินทีเดียวเลยครู